ขอความเจริญในธรรมจะงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องจันทิมาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยพระจันทร์และก็ปราทิตย์ด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกคือถ้าเราดูแล้วคล้ายๆกับตำนาน เรียกว่าเทพประการน้มคือเป็นร่องรอยการต่อสู้ของเทพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ก่อนเทวดาจะประชุมกั น, นกวนกระเสียนสมุทรเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันจึงจึงไปผูกพันกับเทพประการน้มแล้วก็ไปผูกพันกับตำนานของเอกเกียกะโหราศาส์ทั้งหลายเนี่ย แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับหลักของมพุทธศาสนาแต่มีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าของพุทธศาสนาค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเทพบุตรแต่ว่าเราเชื่อผูกโยงกันยังไงก็ไม่ทราบเอกันเพราะว่าในตำนานของเราเนี่ยถ้าเรามองประวัติศาสตร์ พระศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาเข้ามาเข้ามาก่อนยุคพระโสณปรุตรระเนี่ยประมาณยีสบห้ปีโดยนาการนําของโกลทัญยาพราหมณ์แล้วในการต่อมาเขาเข้ามาเยอะหลายครั้งในศตวรรษที่เก้าเดเข้ามายุคทวาราวดีแล้วก็จนเรียกว่าจนปัจจุบันนั้ก็ยังเข้ามานะ มันความเชื่อตรงนี้ยมันมีการผสมผสานอะไรชอบกฏท่านก็เล่าเป็นพระสูตรเลยนะครับเป็นพระสูตรสองพระสูตรก็บอกว่ารู้เจ้าเสด็จประทับนันระเชตะ ว, วันในคราวนั้ น, นจันทิมะเทพบุตรถูกราหูจับมีความตกใจแล้วก็กล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วยคาถา โดยประกาศาว่าข้าแต่พระบุญมีภาคเจ้าภูกแกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์ไปพูดหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงข้าพระองค์ถึงฐานะขับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแห่งข้าพระองค์เถิตรงนี้ถ้าเรามองในแง่ของ พลังของพุท ธ, ธานุภาพที่เป็นพลังความเชื่อในแวดวงของชาวพุทธเองมีประสบการณ์กับทุกคนแต่คนที่หนักแน่นในปรตัตนาไตรประสมควรจะต้องมีประสบการณ์ถึงพุท ธ, ธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพในรูปของคอนไปทางโดดบรรดาลประสิษฐ์ประสาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อย่างที่เคยเล่าไว้ในเรื่องทัชกตรคือสูตรที่ว่าโดยยอดแห่งทงประตานานตรงนี้ที่จริงใกล้เคียงกันนะครใกล้เคียงกับกวนกเกษีสมุทรแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท้าสกะเทวราชประท้าสกะเทวราชในชาติที่เป็นมคับมนกได้บังเพนกุศลสาธารณะด้วยการตัดถนนนทาง แผ้วถางที่รกชัดต่างๆแล้วก็สร้างศาลาจตุรมุขขึ้นให้เป็นที่อำนักของคนเดินทางพร้อมโดยเพื่อนฝูงทั้งหมด32คนแล้วปัญญาของท่านมาคามาโนพนั้นนางสุธรรมาก็ได้สร้างช่าฟ้านางสุจิตาก็ได้สร้างสวนดอกไม้นางสุนันธาก็สร้างสระ นงสุชาดาซึ่งมีความเกี่ยวพันฉัน ญ, ญาติกันอยู่ห่างๆก็ถือว่าสิ่งที่สามทีทำมันก็พันยาก็ต้องได้ตัวก็เลยไม่ได้ทำตอนตายไปในท้าศกเทวราชก็ไปบังเกิดเอ่อมคัมมนพพร้อมด้วยสหายสามสิบสองคนสามสามคนเนี่ยก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ ในช่างที่สร้างศาลานั้นก็เป็นวิศณุกรรมเทพบุตรุแต่ก็ช่างที่ชักลากไม้มาสร้างศาลานั้นก็เป็นช่างเอราวันเป็นเอรววันเทพประบุนะฮะเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเทพบระบุทั้งหมดแต่ว่าเวลาเหล่าเทพต้องการเสด็จนี่เอรววันเทพบุตรก็แปลงตัวเป็นช่าง ของเรามันสามสามเสียนแต่วจริงๆเนี่ยตามตำ น, นานเขาบอกว่าสามสิบสามเียรนแล้วก็อย่างเงี้ยตอนเอ่อตอนตอนตอนตอนิอนท ต, น ต, น ต, น ร, ตริชิตแปลงเป็นพระอินที่ทศมาไอนุมานก็งงไปเลยนี่ก็แสดงว่าเราก็สะสมตำ น, นานความเชื่อตัวนี้มาปะปนกันอยู่ ก็จนถึงกับทา้าสกะเทวราชก็มาช่วยนางสุชาดาซึ่งเกิดเป็นนกอย่างก่อนแล้วก็ให้รักษาศีลห้าก็ไปเกิดเป็นธิดาในช่างผูกแล้วก็ให้รักษาศีลห้าต่อก็ไปเกิดเป็นลูกของเวปิจติอสูน เ, เวปิจติอสูนนั่นเป็นเทพที่เคยอยู่บนสวรรค์ฉันาวดึงมาก่อนวนทาสกะก็ปลอมตัวมา ตอนที่เวปจิติอสูรให้ธิดาเลือกสามีก็นงางก็รู้โดยบุเพสนิวาสไปเลือกเอาทาสกะเทวราชทัสกะเทวราก็นำหนีไปเวปจิติอสูรนั้นแค้นในตอนนี้ตอนกวนเกษีสมุทรเป็นตํานานเทพเจ้าก็เลเทพปการนำ้ำมันแค้นทัสกะมาสมัยกวนเกษีสมุทร ทีนี้ตอนควรเกษีณสมุดเนี่ยอพระราหูก็ดีพระจันทร์ก็ดีพระอังคารก็ดีอะไรแต่ละที่มาขัดแย้งกันเนี่ยมันก็เกิดในยุคนี้แต่เราสิ่งที่มองเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาประสบอันตรายนั้นให้สํารวมจิตราลึกถึงพระพุทธคุณราลึกถึงให้บ้านคงหนักแน่นและตั้งใจจริง อภูธานุภาพนั้นมีอยู่จริงแล้วก็คุ้มครองได้จริงแต่ว่าต้องทําด้วยพลังศรัทธาจริงคือทั้งหมดมันต้องจริงอนะฮะไม่ใช่ว่าภาวนาเพราะเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วภาวนาแต่ปกติใจมันไม่อยู่เลยมันก็ก็พูดยากพลังมันจะอ่อนพรานจันทิมเทพประบุท่านก็ไปเรียกว่าพระจันทร์นะเรียกว่าจันทิมาเทพบุตร ก็ได้กล่าวสันเสริญพระพุทธคุณและขอพุทธานุภาพให้หมาช่วยขจัดเวลาท่านประสบภัยอันตรายข้าพระองค์ถึงฐานะขับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแห่งข้าพระองค์พระเจ้าทรงประรบคำอ้อนวอนขอร้องของจันทิมาเทพประบุก็รับสั่ง รับสั่งว่ารับสั่งกับจัน์ไอ้อสุรินราหูนะฮะว่าจันธิมาเทปบุตรถึงตาถาคตผู้เป็นราหานว่าเป็นที่พึ่งดูก่อนราหูท่านจงปล่อยจันทิมาเทปบุตรผู้เจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์แก่สาวโลกคือการทำอย่างนี้เราจะเห็นว่าอสุรินราหูเองก็เป็นบาปนะฮะ แล้วก็ไปทำอันตรายต่อเทพบุตรด้วยกันการนุเคราะห์โลกจึงต้องช่วยคนทั้งสองคนไม่ให้ประสบความเดือดร้อนแต่ถ้าเราเทียบเนี่ยเราจะเห็นว่าถตอว่าฆ่ากันได้เลยจันทิมาเทพบุตรนั้นท่านตายด้วยจิตที่สำนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอาสัสสรินราหูตายด้วยความาามาฆาามารร้าย พอนาโคตจริงแล้วอจุลิน ร, ราหูลําบากกว่าคือตกนรกไปเลยจะเทวดาก็ตกนรกจกันทิมาเทพบุตรก็จุติเป็นเทวดาต่อไปเรื่องภพอาจจะสูงกว่าเดิมก็ได้นะฮะเพราะว่าอยู่ที่อนุสติคือพุท ธ, ธานุสติเพราะงั้นอจุลิน ร, ราหูพอได้สดับพระพุทธธรรระก็ปล่อยพระจันทร์แล้วกระหืดกระหอบหน้าเศร้าขับไปเฝ้าเวไปจิติอสูร ซึ่งก็เป็นพอตาของพระอินนะครับก็เป็นคาถาที่เราสวดรู้สึกจะบูชาบูชาราหูสิคาถากิ น, นุสันเป็นบูชานปเคราะห์รู้สึกจะเป็นราหูนะรบาลีเขาบอกว่าเทาวเว้าเวไปจิตติอสูรได้กล่าวถาม กินดักินลูสัน德มาโนวะราหุจันดังประมุลเจสิสังวิคขุปโอะอังกมามะกินลูปีโตวติตัสีติทาวเว า, าหูทำไมท่านจึงกระหืดกระหอบปล่อยพระจันทร์เสียทำไมท่านจึงดูทุลักทุเลดูทุลักทุเลก็มายืนแสดงอาการหวัดหวั่นพลันพรึงอยู่อสุวิราหูก็เปลี่ยนเทาเรียน พระเวปจิตติอสูรว่าสตถามเมเภลมุธาชีวันโตนสุขังละเขพุทธากาถาปิกีโตมหิโนเจมุนเจ ย, ยจันดิมาเขาเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากเข้าเจ้าไม่ปล่อยจันธิมาเทพบุตรศีรษะของท่านพึงแตกเจดเสียงมีชีวิตอยู่ก็ไม่พึงได้รับความสุข เพคนที่เขาเรียกว่าพุทธานาเนี่ยล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าคือที่จริงไม่ใช่เฉพาะผู้ใจนะคนดีทั้งหลายเนี่ยก็ห้ามล่กเกินหมายเป็นบาปคนชั่วก็เป็นบาปตั้งแหละแต่บาปน้อยกว่าการทําลายใครก็ตามสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปด้วยกันแต่ว่าบาปจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ คนคนนั้นมีขุนมากหรือมีขุนน้อยเจตนาเราเนี่มันแรงหรือไม่แรงเรื่อความพยายามมากหรือไม่มากจากตรงนี้ในการต่อมาเนี่ยมันก็เป็นปรลิตนะฮะเป็นปรลิดเขาเรียกว่าจันทประลิตกู่กับสุริยประลิแล้วก็สวดกันมาตั้งแต่โบราณก็มีประเด็นที่น่าสังเกตก็คือว่าพุทธคุณนมกุลสังคุณเนี่ย อย่างที่ในทัชกตสสูตรเนี่ยผู้เจ้ารับสั่งเล่าถึงเทวศูนย์สงครามว่าพวกอสูรเนี่ยพวกเวชิติอสูรพวกเนี้ยชุดเดียวกันเนี่ยก็ต้องการจะแก้แค้นทัศกะเทวราที่แย่งวิมานแล้วก็ขโมยลูกสาวนี้แล้วเสร็จแล้วก็ออกมารบกันบางครั้งเทวราก็กลัวพวกอสูร บางครั้งอศูรก็กลัวเทวดาเพราะในในหมู่พวกเทวดาเนี่ยท้สกะจึงสั่งบอกว่าวันหลังเนี่ยถ้าเกิดอาการขนพองเสียงก้าเกิดหวาดกลัวเกิดอาการสะดุ้งเกิดอาการขนพองเสียงกล้าขึ้นมาเนี่ยให้มองดูธงของจอมเทพคือวรุณเทพประชาบดีเทพปีศาณเทพแล้วก็ทาสกะเทวราชเอง ว่าถ้าพอเห็นทมของจอมเทตั้งสี่แล้วเนี่ยอาการคนผ่อเสียงเก้าก็จะหายสะดุ้งถ้าไม่หายก็เปลี่ยนไปเรื่อยนๆนะฮะเปลี่ยนไปครบสีองค์พรธเจ้าก็รับสั่งเล่าแล้วก็ทรงรับรองนะฮะว่าบางครั้งบางคราวก็หายบางครั้งบางคราวก็ไม่หายเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นเองยังขาดยังกลัวอยู่ แล้วก็รับสั่งแก่พิสูุทั้งหลายพระพวกเธอทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อไปอยู่ป่ามีการหวาดกลัวมีอาการขนพองเสียงก้าวก็ไอ้ราลึกถึงพุทธคุณอิติปิโสเนี่ยฮอิติปิโสสวาสดิโตสุปฏิปฏัปโนโนเดตตาไปตาม ล, ลําระหมายความถ้าระลึกคุณพระพุทธเจ้ายังไม่หายเราลึกถึงคุณพระธรรมราลึกถึงคุณพระธรรมไม่หายเราลึกถึงคุณพระสงฆ์เหรือจะเห็นว่าจิตเป็นอยู่ที่ที่พุทธคุณ่ะพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ วิธีเราเนี้ยโดยเฉพาะอันนีคือบทคุณในการต่อมาในสังคมได้เอามาใช้ด้วยวิธีฉลาดเช่นเราสวดลักขีคือสวดหนึ่งแสนจบแต่บางทีก็เล่นเบี้ยวกันเนี่ยนะเช่นว่าคนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนจบก็หมายความมาสิบจบก็ได้หนึ่งแสนละคือการสวดสาธยายพวกเนี่ยที่จริงเราไม่จาเป็นต้องสวดก็ได้ ถ้าเราสวดไม่ได้เรานั่งฟังก็สรัทธาสัญญากำเนิดเป็นเสียงสันเสริญพระุทธคุณตะบคุณสังคุณให้จิตสงบอยู่กับเสียงนั่นแหละแล้วคนที่สวดก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าตอนนั้นกายก็สุจริตวิจีก็สุจริตมโนก็สุจริตก็สุจริตอยู่ได้เป็นชั่วชัวโมงนะรักษาคุณภาพจิตอยู่ได้เป็นชั่ชั่วโมงแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเกิดดับจิตไปในขณะนั้นจิตมันอยู่ด้วยอนุสติ หรือพุธธทานุธรรมะติสังขานุติอนุตติในก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่สภาพจิตเขจิตมันก็ผ่อนใส่ผอนใสก็บังเกิดในสุคติแล้วก็มีตัวอย่างอะไรอยู่เยอะในอตกากถาในชาดกทั้งหลายในตกถาทั้งหลายนี้ท่านบอกตัวอย่างเหล่านี้เอาไว้แต่ซึ่งว่ากันตามความจริงแล้วมีประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่ได้มีโทษอะไร บทสวดเหล่านี้สวดอะไรก็สวดไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าตัวการ จ, จริงๆคือต้องการในจิตมันนิ่งจิตมันสงบอย่างบทภาวนาเนี่ยบางทีเราไปบรรยายรวมเด็กก็เด็กมีเด็กคริสเด็กอิสลามเขาก็นั่งอยู่ด้วยเราบอกหนูก็ต้องจิตใจเรื่องจิตใจอะมันเรื่องมนุษย์ไม่เกี่ยวกับศาสนาและการทําจิตให้สงบเนี่ยมันเป็นเรื่องความต้องการร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพื่ึกบทจะภาวนาเด็กพุทธก็อาจจะภาวน า, วาพุโทโธเด็กคริสก็อาจจะภาวนาว่าเยซูหรือว่าเด็กอิสลาองก็อาจจะภาวนาว่านบีรื อ, อันเลาะ อ, อะไรก็แล้วแต่ขยายยาวเกินไปในใจสงบก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันตัวการเนื้อหาสาระจริงๆคือต้องการให้จิตสงบจิตมันนิ่งอยู่กับบทที่ภาวนา เราต้องเกิดเป็นพลานุภาพเกิดเป็นานุภาบางคนไม่ใช่นโมเพียงบทเดียวนะนโมทันเองนโมสามสามจบนี่แหละนโมเป็นบทสรุปพระพุทธคุณเป็นการแสดงถึงกรุณาคุณปัญญาคุณและบริสุทธิคุณไม่ใช่บริสุทธิคุณแล้วก็ปัญญาคุณก็เป็นการสาธยายโดยสรุป แน่นอนถ้าเรามองแล้วเนี่ยคือถ้าดูข้าวความเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นตำนานที่อารยันพารตะวัตรเขาเล่าเลยนะฮะคือเทพกระน้ำก็ตามคือถ้าดูแล้วมันมันมเหมือนเมือกระรามายณนะรามเกียรติราเกียรติถ้าดูแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์สองเผ่า เ่าหนึ่งก็คือพวกดราวิเดนเผ่าหนึ่งก็คืออินโดยูโรเปียนที่การต่อมาก็เรียกว่าอารยันเผ่า อ, อารยันกับเผามิลักขะหรือเผทัศยุรอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอ่ะเพราะนพระรามเนี่ยที่จริงก็คือเผ่า อ, อารยันพยายามเป็นจันทร์ระวงนะฮะพระแห่งก็บอกกษสุริยบุกก็ บรรดาข้าท่านดูแล้วก็เป็นพวกมิลขะพวกตะราวิเดียนเรื อ, อจจะเป็นพวกอารยานันแต่สรุปบ่าเป็นคนต่างเผ่ากันนะก็ยกไปรบกับพวกมิลขะซึ่งก็คือพวกลังกาแล้วก็ปรุงแต่งกันจนมาเป็นตำนานเทพเจ้าความเชื่อในนี้บางทีบังก็ เป็นจริงในความรู้สึกในความรู้สึกมันกลายเป็นจริงเพราะว่าจริงขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นความคลังความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจิตมันรวมจิตมันเชื่ออย่างเทพเจ้าเวลาเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมเราเมื่อก่อนมันผ่านนิกายวิษณุเวทกับนิกายสิวเวท เวลนี้ก็พยายามหลอมรวมกลายเป็นศรีมุรติสตรีมุรติที่จริงเขามีมานานเวลนี้ก็พยายามจะหลอมรวมพยายสร้างไว้เอกภาพซึ่งก็เป็นความดีนะนความดีที่ควรแก่การอนุโมทนาคือคนเราอยญ่ใจแคบอะไรก็ตามถ้าเป็นเหตุแล้วเขาทําดีได้อ่ะเราก็อนุโมทนาชื่นชมเขา อย่างสมัยหุบผาสวรรค์ของท่านสุชาติโกศลกิติวงศ์ทุกวันท่านอนาพไปแล้วเป็นพระนะฮะมีคนเราเขาบุญให้มาเยอะเลยให้ช่วยพูดได้ช่วยทุงติงให้ช่วยโจมตีบอกว่าเราไม่เอาหรอกเขาเป็นคารวะาเขาสามารถชวนคนไปรักษาศีลแปดได้เนะี่มันยอดแล้วพอแล้วเขาชวนคนรักษาศีลห้าได้มันก็บุญแล้วคือมันไม่ใช่ว่าคนต้องฟังเรา แต่ว่าคนในประเทศเราเนี่ยทำไงจึงอยู่ในศีลในธรรมเผยแผ่โดยใครก็ได้ขอให้มีคนอยู่ดีมีเป็นคนดีมีศีลธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ก็พอแล้วแล้ววิธีการเนี่ยอย่าไปติดใจอะไรก็ได้คุณเป็นคนดีก็พอแล้แต่แน่นอนพออามภาวัดมันก็ยุ่งมากเองซึ่งก็ต้องพยายามที่จะหันหน้าเข้าหาหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพราะว่า คือถ้าเรามองในแง่ความเป็นจริงว่าโลกเราเนี่ยมันผ่านมาจนถึงเรื่องอื่นยังไม่รู้นะเรื่องศาสนาจริงสมบูรณ์แล้วนะคือศาสนามันเป็นผลมาจากการศัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเราก็ศัสรู้แล้วก็สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงจนเดี๋ยวนี้เราก็ยังข้าอะไรไม่ได้สักข้อนึงอะไม่ใครลองไปคิดค้านอะไรก็ได้สักข้อนึ่ง เมื่อก่อนนี่ไปบรรยายที่กระทรวงสาธิการมียมงผู้หญิงคนหนึ่งเขามาสมทบุนสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพพุทธศาสนารู้สึกว่าจะหมื่นกว่าบาทอะไรเนี่ยแสดงความตื่นเต้นว่าที่อาตมามีความแม่นยำจำได้มากบอกไม่ใช่เราโยงคือพอดีเขาถามในเรื่องที่เรารู้เท่านั้นเอง เพงแต่าเราไม่เคยเจอเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องที่เราไม่รู้มันก็มีเยอะนะฮะพอดีเก็ถามเรื่องที่เรารู้เราก็ตอบได้แต่เรื่องที่เราไม่รู้ยังมีเยอะก็ตอบเท่าที่รู้แต่ว่าถ้าเราจับที่หลักธรรมะแล้วก็ส่วนมากที่มันไปได้เรามองที่ธรรมะอย่ามองที่ความเห็นของเราเรามองที่ธรรมะไว้ตรงเนี้ยธรรมะเป็นยังไงสภาวะของธรรมะจริงๆมันคืออะไรตรงเนี้ย แล้วก็ไม่ต้องไปติดใจในชื่อเสียงเรียงนามด้วยดูท่ตฐวสภาวะซึ่งทำปฏิกิริยาต่อจิตเวลาเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันเป็นยังไงเราจะรู้ว่าพวกนี้ยังไงก็จิตก็รวมนะไม่ต้องไปตั้งประเด็ น, นว่าจันทิมาเทพบุตรสุริยะเทพประ บ, รระบมีจริงหรือไม่จริงแต่พุทธคุณมีจริง การตั้งสติระลึลกรู้อยู่ที่พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเป็นอนุสติเป็นมรควิธีที่จะนำคนเข้าสู่นิพพานอยู่ชุดหนึ่งอยู่ในกลุ่มของอนุสติเว น, นี้บางทีก็เอานามาธิบายอะไรรับคือเราจะต้องมองในที่อื่นด้วยนะมองที่อื่นด้วยอย่างนี้ก็บอกว่าพุทธานุติไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงนั้นไม่ถึงนี่อะไรแต่ คือเราต้องนึกนะฮะว่าพระวักกะลิก็พุทธานตติแล้วทำไมท่านบารรลุมกุลละแล้วภิกษุที่กวาดลานเจดีย์ที่เกาะลังกาที่เห็นพุทธรูปถึงมาเนรมิตขึ้นมาท่านยกขึ้นตั้งแล้วก็เพ่งดูแล้วเจริญมธมรมะกรรมฐานแล้วก็ต่อไปปิดปรสนากรรมฐานก็บรรลุมคุลเป็นพระหันเพราะบางทีเราเสียเวลาเรื่องไปยึดติดในรูปแบบตัวนี้แทนที่จะวิเคราะห์ดูที่จิตว่าเออมันจิตมันได้อะไรอ่ะ อยากจยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราเชื่อว่าการกระทําของเราอยู่ภายใต้การรับรู้ของเ ท, เทพเจ้าที่มีทิปนิษฐ์มีทิปอากัรหูทิปตาชิพมีหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าประเด็นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราทําความดีเราละเว้นความชั่วเราอายผีสางเทวดาเขาแเราทําความดีเราก็พร้อมจะทําความดีมาถือว่าคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นมันก็ไปได้เยอะละ โดยบางคราวบางคราวเนี่ยเราไปไปตั้งแง่ตัางมุมโดยเฉพาะนักวิจาการสมัยใหม่เนี่ยวิ<บ>ทีก็ฟุ้งอะ่ะบางกนได้ดูบทความอะไรแต่เขาบอกความคิดเป็นอนานิคมบางเรื่องไม่จริงๆนะามาเห็นมานานเอ๊ะมันเป็นความคิดเป็นอนา น, านิคมอะ่ะไม่ใช่นักวิจารการที่บริสุทธิ์เป็นนักวิจาการที่ยอมจำนนต่อเท พ, พเจ้าตะวันตกคือต้องอ้างฝรั่ง ถ้าเขาลังว่าแล้วคล้ายๆกับเป็นปากกาสิทธิ์จากสวงสวรรค์นะท้องเชื่อเลยแล้วเหตุแห่งก็ไม่ได้พิสูจน์ทดสอบอะไรการรู้การสาบันเราที่ไปไม่รอดเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่ามีพวกแบกหินมาเยอะเขาส่งไปรับมีดหรือแบกหินมาแล้วก็ยุ่งตรงนี้ถ้าเราใช้โดยเหตุผลของเราเนี่ยอาจจะไม่จริง นะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของพระพุทธตํามราที่พิเจ้ารับสั่งประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆให้ใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆเราอย่าลืมว่าในอนุสติสิทธิ์มัน ม, มีเทวตาอนุสติอยู่ด้วยคือตั้งสติระลึกถึงเทวดาแล้วก็ทำที่ทำให้คนเป็นเทวดา และตัวเองก็พยายามที่จะเป็นเทวดาด้วยใจใจที่ประกอบด้วยอิริโอตตา ป, ปะใจที่ประกอบด้วยสธาศีลจาคสุตะปัญญาสุตะจาคะปัญญาใจที่ประกอบด้วยกุศลกบฏสิบเป็นต้นเนี่ยแต่ละอย่างก็เป็นเทวธรรมเพราะแนวประดิษฐ์เหล่านี้จึงในราชบิธีต่างๆ เ, เช่นราชปฏิีขึ้นปีใหม่โดยเฉพาะคาถาที่ยกยกมาเป็นเพียงบาลีนั้นก็เป็นคาถาที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นำไปบูชาพระประจำวันแล้วก็เชื่อว่านะสามารถที่จะขจัดสเสนียดจังไรต่างๆออกไปได้ในตำ น, นานค่อนข้างจะเป็นปุกาลาธิษฐาน แสดงว่าประจรันพระราทิตนั้นบอกว่าเป็นชื่อของเทพบุะบุที่อยู่ณจันทวิมานแล้วก็สุริยะวิมานเราหูนั้นเป็นยักษ์ตอนนั้นน่ยก็ถูกจักของปนร้ายขว้างขาดเป็นสองท่อนนะท่อนหนึ่งก็คือโลกคือโลกเรานี่แหละก็แสดงว่าเป็นความรับรู้ความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล แต่ก็ยังมีใช้สื่อสารด้วยภาษาของเทพเจ้าแต่ว่าเทพระวุตเยชื่ออย่างนี้เขาก็ ก, ก็มีเป็นธรรมดานะชื่อมันเยอะไ ป, าปราหูนั่นเป็นผู้เดียกวเวไปจิติอสูรเวไปจิติอสูรที่พูดถึงดื่มน้ำอมฤตน่นะคือเมื่อก่อนเขาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดิษ์ ใน ต, ตอนที่เท้าสักกะเทวราชอุบัติเนี่ยพร้อมด้วยเทพบริวารทั้งหมดสามสบสองสาสบสานะฮะแล้วก็วิศณุกรรมเทพประบุก็ดีช้างเอราวันกับเอราวันเทพประบุก็ดีเนี่ยก็เห็นว่าการอยู่เป็นเทวดาแล้วก็ปุเป ก, ก, กับพวกอสูรน่าต้องปกครองอสูรนี่มันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากก็เลยก็ตอนกวนน้ําอมาเนี่แหละ แล้วก็มอมเมาให้พวกอระสุนดื่มน้ำอมฤตจนเมาแล้วก็จับโยนลงมาคือเราเห็นว่าแนวความเชื่อตรงนี้แสดงว่าภูเขาภูเขาหิมาลไลย์นะฮะไกรลักษีรีเนี่ยเป็นที่สถิตของเทพเจ้าสมัยก่อนก็เป็นอินทนร์และอินโทนเนี่ยแล้วก็ในสมัยรามายณนะคือสมัยรามเกียรติเราเห็นว่าก็เป็นพระอิศวน ก็บางทีก็เรียกปนปนอะไรกันชอบคนะสรุปว่านั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องความเชื่อความเชื่อในลัทธิของพระทีนี้วิมาเนี่ยของเวทปัญจิตอสูญจึงผุดขึ้นรับเพราะว่าเขาก็มีบุญญาธิการกอยู่ใต้ใต้ขอบพระสมเด็นะบอกว่าอยู่ใต้ขอบพระสมเด็ตรงนี้มันมันนําให้เกิดลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไตรภูมิพระรุง่ง โดยเังว่ใจภูมิป ร, ร่่ง ม, มีคติแนวคิดโดยเฉพาะยิ่งคือพบชาติเนี่ยแตสวรรค์วิมานเนี่ยโดยรูปของของภูมิศาสตร์มันก็เป็นแนวคิดแบบเดียวกับพรางคือคล้ายๆกับคอนโดคอนโดจึงต่อกันไปยาวแล้วก็ยอดเขาใกลลาดเนี่ยคือสวรรค์ชันดาบดึง แล้วก็ลงลงมาก็มีสัตพันธ์คีรีสินทร์กรวิกอสการอะไรต่ตางๆมีสะโนโดา่าขวางอะไรต่วอะรก็เรื่องโลกิมะพานนะะแล้วก็ต่อจากนั้นไปก็ใต้เวปิจติติใต้ตของวบุษเมศเนี่ยก็มีเวปิจิติบิมาแล้วก็ลงไปเลยสิเดียลงไปเลยก็กลายเป็นนรกชั้นต่างๆเพะะื่อนความเชื่อแนวภูมิศาสตร์ของปารโลกเนี่ย ของเราของพรามณ์ปนอยู่เยอะแต่ถ้าเราดูที่เป็นพระพุทธตรระ ม, มันเป็นปารโลกคือแปลว่าโลกอื่นก็เคยพบรุ่นอัติกถาที่พูดถึงว่าพญานาคเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินพญานาคขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยเคยพบรุ่นอัตกิกถาแต่ว่าไอ้โลกบาดาเนี่ยเราจะเห็นว่าในรามายณะเขาก็มีนะ ระบัญนนาก็พูดในทานองคล้ายๆกับอยู่ใต้ดินเหมือนกันซึ่งก็เป็นภูมิศาสตร์ของยุคเร่งแต่ตัวเหตุเนี่ยตัวเหตุคือกรรมไอ้นั่นเรื่องจริงส่วนรายละเอียดเหล่านี้พระเจ้าเองก็ไม่เคยแสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พราะจากการสังเกตพบว่าพระพุทธธรรรัตที่เกี่ยวกับพรหมโลกที่เกี่ยวกับสวรรค์ชนต่างๆเนี่ย จะรับสั่งแสดงแก่คนที่รู้แล้วว่าพวกเนี้ยอยู่ที่ไหนอยังไงมีสุขทุกข์อย่างไรกับพระหารันเช่นพระโมคคัลลานะก็ดีพระกัมปติก็ดีหรือบางครั้งก็ไปกับพระาหานทั้งหลายเช่นไปโรมโลกไปทรมานท่านประกาพรมเรื่องอนิร จ, จัง เพราะงั้นมันมันเป็นการพูดในวงของคนที่รู้แล้วแต่ว่าเราไปติดใจสงสัยในในเรื่องที่ตั้งนามภูมิศาสตร์มันก็เสียเวลานะเพราะว่าการไปบังเกิดในสถานที่เหล่านี้มันไปได้จิตเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ไปเกิดมันับอาวิชาสังขารวิญญาณนะฮะมันเป็นนามธรรมไม่ต้องยานภาณอะไรหรอกเหมือนกับเราคิดไประบบรอบจักรวาลเราคิดแป๊บเดียวไปไม่รกี่รอบแล้ว เพรเทวเทวดาทั้งหลายเนี่ยเรียกตัดเถวันตระทายิอันตระทันแล้วอนอระทันไปแล้วจากที่นั้ น, นการไปการมาของท่านเนี่ยมันไม่ได้แบบไอ้เรื่องรามเกียรนะแต่เราสังเกตว่าความเชื่อหรือเรื่องสวรรค์เรื่องนรกของเราไม่ได้ตรงกับของฝรัง่งแล้วก็ไม่ตรงกับของอินเดียเพราะเราเป็นทิพยาภาวะ อันตรธานไปปรากฏปุ๊บในที่ต่างๆแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไปในเชิกมโนโมยิทธินี่เยอะมากไปโปรดสัตว์ท่างหลายไปทรมานสัตว์ทั้งหลายในสถานที่นั้นๆประเทศไทยเราก็มีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลังกาก็มีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าถ้าเสด็จมาก็มาด้วยมโนมยิทธิไม่ใช่มาด้วยองค์แตมาด้วยมโนมยิทธิแต่ว่าเาทุกอย่างจะเหมือนกับองค์ ให้ความเทศได้สั่งสอนได้คล้ายๆกับตอนที่ไปโปรพภูตมารดาที่ดาวดึงนี่เทศตลอดนะนะเทศตลอดแต่จริงพระพุทธเจ้าบางครั้งก็ไม่ได้อยู่มีพุทธนิมิตเทศแทนพระองค์ก็พระองค์งก็เป็นมนุษย์ต้องมีตบาบัดก็ต้องเสเวยพระกาหารต้องมีการส่งน้ํามีการขับถ่ายธรรมดาเพราะว่าสรีระยังเป็นมนุษย์อยู่แม้จะอยู่บนสวรรค์แต่ว่า ก, กิจกรรมของมนุษย์ก็ต้องมี ยังแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าที่เทศในบางช่วงก็ไม่ใช่องค์จริงแต่ว่าเป็นเขาเรียกพุทธนิมิตคือเกิดขึ้นจากพระไถยของพุทธเจา้าเรียกมโนโมยิตนะฮะมันมโนโมยิตที่เป็นความสำเร็จทางใจของพระองค์ก็เทวดาทั้งสองนี้ถ้าเราไปดูที่มหาสมัยสูตรคขาบอกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นพระรยบุคคลระดับโสดา บ, บัน แล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยมาเข้าใจกันว่าอาจารย์ธรุปราคาสุยุปราคาเนี่ยเป็นเหตุการณ์เรื่องเดียวกับเรื่องเหล่านี้นะแต่ถ้าเราดูแล้วมันมันรุมคนละเรื่องกันนะคือไม่ใช่เป็นดวงจันทร์ในดวงอัญชิตแต่เป็นชื่อของเทพประบุรแล้วก็อยู่วิมานแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนลอยไปในสถานที่ต่างๆได้ แต่ก็สรุปว่าถ้าเราอย่าไปยุมมยิ้มในเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้แต่เราก็พิสูจน์ได้ที่พุทธคุณ่ะพุทธคุณนี่พิสูจน์ได้ก็เอาเฉพาะพุทธคุณพระพุทธเจ้าจันทิมัเทพบุตรสุรยิยะเทพบุตรเนี่ยยืนยันตรงกันนะวา่าเทพบุตรทั้งสองนี่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะนะแล้วก็การถึงที่ถูกต้องนั้นก็คือ การน้อมนำเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าไปเป็นหลักปฏิบัติจนตนเองกายวาจาใจกันตนเองผสมปลมกลืนกับพระคุณของพุทธเจ้าคือแสดงให้เห็นเึงปัญญาแสดงให้เห็นเรื่องใจที่บริสุทธิ์แสดงให้เห็นเรงความเมตตากรุณาตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงชช้คําว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลก คือพระพุทธเจ้าจากการสังเกตเนี่ยเราไม่เคยพบคำเมตตาเว้นไวแต่ในมาราติเรพาหุงข้อที่สองนะฮะไม่ใช่พาหุงข้อที่สามคือนานลาคิริตอนปราบตอนปราบไ อ, อตอนตอนปราบช้างนานลาคิริใช้เมตตาแต่ว่านี้สำนวนอันตรถานะท่านย่อมาจากพระสุแต่โดยปกติแล้วพระเจ้าจะ เป็นกรุณาเป็นโลกาโนกรัรมปโกคืออย่าลืมว่าการุณานั้นมีสัตว์ที่ประสบ ค, ความทุกข์เป็นอารมณ์ในสายประเนษของพปประเจ้าสัรรพชีวิตในโลกจากพระนาคามีลงมาเนี่ยเป็นผู้ตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ทั้งนั้นพระนาคามีก็ยังอยู่ในสังสารทุกข์เพราะฉนั้นพระเจ้ า, าจึงมีกรุณาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายในเลือกชาติชั้นวันนะ ไม่เลือกศาสนาอะไรทั้งหมดอะเราเราไม่ได้มีคำพูดในลักษณะนั้นคือทำยังไงมันจะเกิดการประนีประนอมการประสานประโยชน์การทำความเข้าใจกันคือเรามาใส่โลกชั่วคราวอะนะฮะทำตัวใหญ่โตมากเกินไปมันคล้ายๆกับเป็นเจ้าของโลกนี้เจ้าของประเทศนี้ ชี้หน้าประกาสิทธิ์คนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเครื่องมากเลยนะอัตตามันเครื่องมากได้ลืมว่าการกระทําทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบาปบาปมันก็จะหน่วงเหนียวไปสู่นรกเพราะคนเนี่ยอัตตาเขื่องๆทั้งหลายเนี่ยอยู่ไม่ดีหรอกคือตายไปแล้วเนี่ยก็จะประสบความเดือดร้อน เล่าถึงราชาในสมัยก่อนพุทธกาลอัตตาท่านเคืองบิดเบียดเบียนรัศดรวระทุสารายดดดรัศดรฤทนาทาเร้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาขนาดว่าท่านที่วงโคตไปแล้วเนี่ยนายทวรารบาลร้องให้เขามาร้องให้ทำไมแกบอกกลัวโย ม, มาบาลจะถูกปรจราชาอารวาส แล้วก็จะไม่ยอมไว้ในนรกประเดี๋ยวก็โปรมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแก่ก็เดือดร้อนอะถูกเบียดเบียนเรื่อยๆคืออัตตานั่นเครืองอ่ะเพราะถ้าอัตตาเราไม่เครื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะสัมผัสโลกทุณได้นลึกแล้วมาถึงจุดหนึ่งเราจะไม่มีอัตตาอะไรให้ไปไปใหญ่โตอะไรกันทักหนาเพราะเราก็คือศพเป็นอ่ะประเดี๋ยเราก็ตายแล้วอยู่ไม่กี่นก็ตายแล้ว ตายก็เพิ่งจับใส่โลงโลงก็เล็กนิดเดียวเพราะงาั้นด้วยอำนาจของพุทธคุณที่ถึงเนี่ยจะค่อจัดภัยอันตรายให้แก่บุคคลนั้นๆได้เพราะนั้นคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็ย่อมจะรับการคุ้มครองรักษาจากธรรมพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมมอนร่มใหญ่ป้องกันคนผู้กัน ร, ร่มมให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตก ทีนี้ในแง่ของพุทธานุภาพเมื่อบุคคลระลึกถึงเมื่อประสบความอันตรายเนี่ยจะเกิดอาการขนพรอนเสียงกล้าวอย่างที่เล่าไว้ในทศกษษษัูตรมนก็ขจัดความบาดกลัวลงไปได้พุทธานุภาพให้จับไปนั้นเราจะสงบเย็นนะฮะเราจะสัมผัสกับความสงบเย็นในอัติกถาธรรมบทได้เล่าถึง ลูกชายบางคนดัดฟืนเคยเลาใหฟังนะฮะว่าเคยใช้บทนโมตอนเด็นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตส ม, สมตตะสพุทธัสสะตอนเด็กเด็กสมัยก่อนเนี่ยเด็กวัดสมัยก่อนเน่ยมันใช้ในแนวนี้จะเยอะมากเป็นคาถาเสกน้ำล้างหน้าเป็นคาถาก่อนจะกินข้าวอะ ไ, ะไรต่างๆเนี่ยเด็กก็ต้องว่านโมหมดอาบหน้าเอาเนื้อมาแต่ตว่านโมไป ในแง่ของพุทธานุสติเราเห็นชัดเจนนะฮะว่าจิตใจจะสงบนิ่งมันเป็นการรวมตัวของสติสมชัญญาและความพยายามจดจ่ออยู่ในตัวพุทธคุณถ้าเราเอาเกณฑ์ของพระหา้าหรืออินทรีห้าข้ามาาันจะเราจะเห็นหมดทั้งห้าข้อเลยเห็นนสัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญา อยู่ในจุดเดียวกันคือระลึลกถึงพุทธคุณาะการที่อัสสรินราหูต้องรีบปล่อยถ้าไม่ปล่อยเนี่ยเบสีสะจะแตกเป็นเจ็ดเสียงแต่ว่าใครยังไม่ได้ขัดขืนพระพุทธํรรัตน์นะจึงยังไม่เจอไอ้สีษะแตกเจ็ดเสียงจริงๆแต่นี้บาลีท่านบอกไว้นะฮะคือว่าไปไปขัดขืนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็หรือ สาบานหรืออะไรบางเรื่องเนี่ยหรืเป็นโสประมาติลุมิดบางเรื่องนี่ศีรษะแตกเป็นเจ็ดเจแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือยังนึกอยู่นะคือพระเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องในเรื่องนางสามาบดีจริงเรื่องนางสามาบดีในธรรมบทภาคสองพู้ถึงการประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้าย เวลานี้เต่าเกยตรงนี้เป็นมากวัดในหน่าสยองนะคือเรามองเขาด้วยความสงสารเรามองเขาด้วยความสลดใจเรามองเขาด้วยความเสียดายแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้คือเรียกว่าบ่ายหน้าเขาหาทุกทั้งในปัจจุบันแล้วในการข้างหน้าจนเดืยวนี้ถ้าพูดถึงจริ ง, งๆนะตั้งโทรทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งอะไรไม่น่าอ่านนะ เพราะพวกนี้ก็เอามากเกอามาจากหนังสือพิมพ์นั่นเองชื่อนามปากกาพอเราดูโอ้โหคิดอย่างนี้เลยเนี่ยคนขนาดเนี้ยคนขนาดนี้คิดอย่างงี้ล่ะนี่เป็นเรื่องที่น่าเสาดายพระเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะะว่าคนที่ประทุษร้ายต่อผู้ทรงธรรมและไม่ประทุษร้ายต่อคน ครนี้ทรงแสดงในธรรมบทว่าคนที่ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษรายนะจะประสบภัยอันตรายสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะหลายอย่างหนึ่งคือประสบกระทุกกเวทนาอย่างสาหัสสองจนถึงกับบาดเจ็บล้มตายสามมีโรคภัยค่าเจ็บเบียดเบียนเสียดแทงอย่างทารุณโหดไาย สี่ความฟุ้งซ่านแห่งจิตจิตมันจะไม่สงบจิตจะไม่นิ่งจะฟุ้งซ่านและเกิดอุปสรรคอันตรายจากราชการบ้างจากผู้มีอำนาจมีที่พน้นอะไรต่างๆเยอะแยะโอกาสที่จะถูกใส่ร้ายอย่างรุนแรงมีได้อันนี้ถ้าเรายอมรับว่าการถูกใส่ร้ายป้ายสีบางครั้งเนี่ย เราอาจจะไม่ทำในชาตินี้แต่ว่าชาติก่อนเราเคยใ ส, ส่ร้ายป้ายสีเขามาชาตินี้ก็ถือว่าชดช้กันไปไม่ใช่ยอมจำนวนนะแต่ว่าไม่ไปสร้างบาปรกรรมต่อเราชี้แจงได้ก็ชี้แจงไปเขาเชื่อก็เชื่อไปไม่เชื่อก็แล้วไปแต่ว่าหน้าที่ของเราก็ชี้แจงแต่เรื่องบังเรื่องมันมันรู้จะอธิบายยังไงนา น, นานมาแล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่ ว, วาวรส์เนี่ย มันมีแม่ชีคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองระลึกชาติได้แล้วก็มาบอกว่าชาติก่อนเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ามีคนไปรกราบทูลถามท่านบอกโอ๊ยกันไม่รู้หรอกกัระลึกชาติไม่ได้แกจะไปรู้ได้ยังไงแกบอกว่าแกระลึกชาติได้เราก็ไม่รู้แกระลึกชาติได้จริงหรือเปล่า แต่ว่าในการรับรู้ของเราเนี่ยคือเราไม่มีญาณอย่างรู้ขนาดนั้นเราจรึงไปชี้ว่าเขาผิดหรือถูกไม่ได้จริงหรือไม่จริงไม่ได้แต่ชาตินี้นะไม่ใช่แน่ชาติก่อนเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็เสื่อมจากญาติเสื่อมจากพวกกสมบัติไฟไหม้บ้านที่สำคัญอย่างนี้นคือตายละตกนรกมีทรงแสดงเองเนะฮะเพราะความสามปัญญาของตนความ โง่เขาขาดเขาเบาปัญญาของบุคคลเราดั้นเพราะเราเห็นว่าอาสุินราวหูถึงแม้จะเป็นยักษ์แต่รู้อะไรควรหรือไม่ควรผู้เจ้ารับสั่งมาขนาดนั้นเนี่ยว่าต้องเลิกแต่ก็เราแสดงความจงนักพักดีตอนในหลวงกันเหลืองสปสิวไปหมดเลยทั้งประเทศเแต่ใ น, นหลวงขอให้คิดทำพูดโดยเมตตาต่อกันเนี่ยยังทาไม่ได้ก็น่าเจ็บใจผมเหมน็นนะท่านฟังอ่อเลย